เจิตอยู่ในที่มืดมนคือจิตกําลังอยู่ในที่มืดมนก็เช่นเดียวกับเราที่เข้าป่าโลกชัดอันกว้างขวางเหมือนกับไม่เคยมีไม่เคยผ่านทุ่งผ่าน ท, าที่ว่างว่างอะไรมาเลยทั้งที่เราก็เคยผ่านแต่เวลาเข้าไปดองอันโลกชัดแล้ว มันเหมือนกับเราไม่เคยผ่านทุ่งพัานนาอะไรมาเลยเหมือนกับว่าทั้งโลกนี้จะเป็นความมืดไปหมดเช่นเดียวกับป่าอันลุกทับเช่นนั้นแต่จิตนี้ไม่เคยเห็นความสว่างความเบื้องว้าง ภายในตัวเองมาก็ยังพอทำเนาเพราะไม่เคยเห็นแต่ผู้ที่เข้าป่าดงอนโลกทัดไปแล้วทั้งๆ ท, ที่เคยเห็นทุ่งเห็นนาอะไรที่ว่างๆอยู่มันก็ยังเกิดความําคัญขึ้นมาก็เหมือนอย่างว่าในโลกนี้จะไม่มีที่ว่างเลยมีแต่ป่าดงอนโลกชัดอย่างนี้ไปหมด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 ถ้าเราไม่คิดแยกไปว่าที่นั่นเป็นนั่นที่นั่นเป็นนั่นคิดไปในแง่สมมติต่างๆเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศก็เหมือนกับไม่มีอะไรเลยบรรดาที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะจิตไม่เกี่ยวข้องมีความว่างโดยหาเหตุปัจจัยอะไรที่จะเข้าไปหมุนไปเกี่ยวข้องไม่ได้เลยดูโดยปกติของตอ โลกแม้จะมีก็จะก็เหมือนไม่มีเลยกลายถ้าหากว่าเราจะพูดว่ากลายเป็นธรรมดาก็ธรรมดาไปเลยทีเดียวแต่เจ้าคำว่าธรรมดานี้ผู้สมมติก็จะไปอีกแง่หนึ่งแต่คำว่าธรรมดาในธรรมชาตินี้ไม่เหมือนกับธรรมดาที่เราพูดนี้เป็นเพียงว่าข้อเทียบเทียงเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องอะไรแล้วก็ธรรมดาาธรรมดานั่นฟังด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 คือจิตได้คลายตัวออกหมดไม่มีอะไรเหลือหิ่งเหมือนั่นแม่จะมีจะได้ยินก็สักแต่ว่ารับรู้เพียงขณะขณะขณะแล้วก็ดับไปในขณะขณะโดยหลักธรรมชาติของจิตที่ไม่ที่มีความพอตัวแล้วรับอะไรเข้าไปอีกไม่ได้ความสันเสรินซึ่งเคยชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นเดียวกับเรื่องความยินทาเท่ากัน เพราะจิตพอไม่สามารถรับได้ทั้งฝ่ายต่ำฝ่ายสูงหรือฝ่ายชมเชยฝ่ฟฟายสรรเสริญฝ่ายสุขฝ่ายทุกข์ที่เป็นเรื่องของสมุติโดยประการทั้งปวงจิตไม่เกี่ยวขอนะ้องนี่เรียกว่าเป็นธรรมดาไปซะหมดนี่ออกจากจิตที่ว่า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 จนกระทั่งถึงจุดหมายปลาทางอันเป็นที่เวิ้งว้างโดยหลักธรรมชาตนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากอยู่บ้างเป็นธรรมดาหรือว่ายากมากก็ได้แล้วแต่ใจของผู้ที่จะเดเนินนั้นมีความรักชอบมากน้อยต่างกันเพียงไรแต่ถ้าผู้มีความรักชอบมีความสนใจมากการงานที่เป็นไปเพื่อ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 แม้จะอยู่ในวงสัจธรรมด้วยกันก็ตามแต่อาการแห่งการพิจารณาแห่งการดำเนินนั้นจะมีผิดแปลกกันอยู่เป็นลำดับลำดาตามจริย ม, มิสายเมื่อเป็นเช่นนั้นอาการแห่งความสงบหรือความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นภารกิจจึงมีต่างกันความสงบที่เป็นที่ยอมรับกันด้วยกันทุกคน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 คืออยู่ๆเช่นเรากำหนดภาวนาพุโทโธพุโทโธอยู่แล้วก็พลิกขณะเดียวพับหายเงียบไปเลยนี่คือจิตพลิกขณะเดียวเท่านั้นเหมือนกับลองตกเหวตกบ่อแล้วปรากฏเป็นความรู้ขึ้นมาทีหลังเป็นขึ้นอีกแง่หนึ่งแล้วอย่างหนึ่งแนวหายเงียบไปเลยนัก็มนี่เป็นจดนิสัยประเภทหนึ่งชนิดหนึ่งอย่างหนึ่งที่ส่วนมากเป็นกัน ที่กล่าวผ่านมานี้เรียกว่าร้อยนั้นจะมีเพียงห้ารายรู้สึกว่าจะเป็นอย่างมากคุณท่านในร้อยคนผู้มีความสงบเยือกเย็นหรือเห็นผลในการสมาธิภาวนาส่วนเก้าสิบห้านั้นจะเป็นไปลักษณะค่อยๆสงบค่อยๆเยือกเย็นเข้าไปโดยลำดับลำดับนี่มีจำนวนมาก แล้วเราให้สังเกตดูเะดีย์นิสยัยขงเราว่าเป็นไปในเจหลิ์ใดหรือเป็นไปในลักษณะใดในแง่ใดในสองแง่นี้ส่วนมากจะเป็นไปในแง่ที่สองนี้คำว่าสงบคือความสงบเย็นอยู่ภายในจิตใจใ จ, ใจมีมีที่อยู่ใจมีความร่มเย็นเป็นสุข มีฐานแห่งความสบายอยู่ภายในปิดทั้งตนเองทั้งๆ ท, ท, ที่คิดอ่านไกรตรองอะไรก็ได้ธรรมดาเหมือนโลกทั่วๆไปแต่ภายในปิดทั้งตัวเองมีความโล่งมีความสบายมีความเบาหรือมีความสว่างตามมากตามน้อยแล้วแต่กำลังแห่งสมาธิหรือความสงบของเรา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 ประการหนึ่งที่เป็นหลักธรรมชาติของจิ ต, ตเองเราจะปรุงแต่งไม่ได้ก็คือขณะที่จะดับดักจริงๆความคิดความปรุงเนี่ยขาดจากการหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่โดยลําพังตนเองนี่ก็ให้เป็นตามหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นขึ้นมาในตัวเองการคาดกันหมายไม่เกิดประโยชน์อะไรเองไม่ควรคาดความหมายให้ปล่อยไปตามเจดิยนที่สัยของตนในส่วนนี้ไม่ผิด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 นี่คือวิจคือพูดถึงเรื่องสติเรื่องจริตนิสัยของแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันผู้นั้นท่านเป็นอย่า ง, งานั้นหรือครูบาอาจารย์ท่านแสดงอย่างนั้นๆว่าผู้นั้นมีสมาธิเป็นอย่างนั้นจิตรวมอย่า ง, งานั้นจิตรู้เห็นอย่างนั้นอนี้ให้เราเพียงฟังไว้เฉยๆหากว่าจริตนิสัยเราเป็นไปในทางใดและเรื่องที่ท่านกล่าวนั้นแล้วจะจะเข้ามาสัมผัสเราเรารู้ในแง่ใดแง่ที่ท่านแสดงแล้วจะเข้ามาสัมผัสจะโผล่ขึ้นมารับกันทันทีกันที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 นี่เป็นที่ยอมรับตรงนี้เรียกว่ากิจสงบเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปถ้ากิจเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะไปะยึดเอาเรื่องของคนนั้นของคนนี้มาให้เป็นเรื่องของเราหรือเราพยายามจะทจํากิจเราให้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นการขัดต่อจริต น, นิสัยของเราแล้วจะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเรียกว่าสร้าง ความกังวลให้เกิดขึ้นแก่ตนโดยเหตุนี้ซึ่งเราไม่รู้สึกว่าเราสร้างความกังวลจึงต้องกำหนดลึกต้องพึทำความเข้าใจไว้ในขอน้อนี้ความเจริญของจิตนั้นก็คือความสงบสุวนนนะมีความละเอียดละออเข้าไปโดยลํำดับมีความแน่นหนามั่นคงเข้าไปโดยลําดับนี่นี่คือความเจริญในขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนี้ และต่อไปก็ต้องมีความละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจากจิตดวงนี้เองคืงอจิตดวงนี้จะเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจนเข้าสู่ความละเอียดแม้จะพิจารณาทางด้านปัญญาค้นคว้าอะไรมีความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรก็าตามฐานแห่งความสงบหรือเย็นใจนี้จะค่อยปรากฏอยู่โดยลําดับเช่นนั้นหรือบางครั้งเวลาชนลมุนวุ่นวายกับหน้าที่การงานมากในทางด้านปัญญาความสงบร่มเย็นนี้จนหายไปเลยก็มี ให้ปรากฏแต่คํามาหายไปเลยนี้ไม่ได้หายไปแบบที่คนไม่เคยภาวนาที่คนไม่เคยภาวนานั้นมันไม่มีเลยความสุขความสบายภายในจิตใจแต่จิตนี้ที่ว่าหายจากความสงบนี้มันมีแต่จิตมันมีแต่ความรู้สึกที่จะพิจารณาอย่างเดียวมีความรื่นเริงมีความดูดดื่มในการพิพจารณาเพื่อถอดเพื่อถอนที่เดชทินิษฐ์ต่างๆออกจากจิตใจ มันยังมีความปุ้งเฟ้อเหินไปกับโลกกับตรงสารอันใดเลยแม้จะไห้ปรากฏเป็นความสงบแน่วแน่เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาก็าตามเพราะความรู้อันนี้เปลี่ยนประทางทำมากมายไม่ได้เกี่ยวกับโลกเลยถึงจะให้เป็นความสงบเหมือนอย่างเป็นสมาธิก็าตามแต่ก็เป็นความวุ่นกับงานเพื่อถอดถอนขีเด็ดต่าหาหนั่นผิดกันที่ตรงนี้ การที่จะพยายามตะเกียกตะกายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจให้มีความสงบร่มเย็นเป็นที่แน่ใจตนเองมีความอบ อ, อุ่นมีหลักใจเป็นเครื่องยืดเป็นที่อาศัยนี่เป็นเรื่องที่ยากลำบากอยู่บ้างแต่เราพึงคํานึงเราพึงคิดถึงเรื่องงา น, นงต่า ง, างๆที่เราทำบางทีงานบางชิ้นบางอันจนขนาดหัวเสียไปก็มีเรายังอุตส่าห์พยายามทาได้ จนผ่านไปได้ไม่รู้กี่งานมาแล้วเหตุใดงานที่เป็นไปเพื่อตัวเองโดยเฉพาะนี้เราจะฝืนไม่ได้เราจะทําไม่ได้เราจะผ่านไปไม่ได้ซึ่งเป็นงานเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่างานนอกงานไหนที่แตกกันเพียงเท่ห น, นี้เราทําไมเราทําไม่ได้เราต้องทําได้เมื่อความพอใจที่เรามีอยู่หนักมันก็ไปได้เมื่อจิตลงใจอย่างนี้แล้วความข้อถอยแย่ก็ไม่มีพยายามดําเนินต่อไปเรื่อยๆ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 นี่เราสังเกตจะอิดของเราตอนนี้ถ้าว่าฐานในความสงบพอที่จะรับทะเทศนาของท่านที่เกี่ยวกับเรื่องจิตตภาวนาทางด้านปฏิบัติมันไม่มีภายในใจฟังเทศท่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจยิ่งท่านเทศถึงเรื่องมากเรื่องผลก็ยิ่งมืดแปดที่แปดด้านนี่แสดงว่าฐานรับภายในของเรายังไม่มี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 เพราะจิตยอมรับแล้วเนี่ยฟังเทศนอื่นๆนั้นขี้เกียจฟังหนั่นเอาอยู่แล้วนะฟังไม่ได้น้ําได้เนื้ออะพูดไปนอกโลกนอกสงสารไปทีไหนความจริงจริงๆที่ปรากฏอยู่กับตัวทําไมไม่พูดเนี่ยเพราะเรื่องศัจธรรมมันหมุนอยู่ภายในจิตใจและประเทศข้างนอกจะเป็นสัจธรรม ก, ก็จริงแต่มันอยู่นอกมันห่างไกลาจากปากจากท้องเราที่จะรับทาน ง, ง่ายๆเนี่ยมันเป็นภายในจิตเอง เมื่อเทศเข้ามาสู่ภายในนี้มันเป็นเครื่องกล่อมจิตใจของเราได้อย่างสนิทสนมมากอย่างลึกซึ้งอ่อนหรือว่าเพาะพิ้งมากมีรสมีชาขึ้นโดยลำดับเทศเรื่องวิธีจิตเทศเรื่องสติเทศเรื่องปัญญาเทศหมูนเข้ามาในสัจธรรมเพราะยกสัจธรรมขึ้นเป็นสนามหรือเป็นธรรมาท หรือเป็นธรรมเทศนาว่าได้ทั้งนั้นแหละก็เข้ากันกับจิตของเราได้ดีเพราะจิตเต็มไปด้วยศัจธรรมทุกข์ก็เสียแทงเข้ามาที่จิตสมุทัยก็เกิดขึ้นที่จิตเสียแทงที่จิตมรรคก็ผิดขึ้นมาที่จิตคือสติปัญญาผิดขึ้นจากไหนถ้าไม่ขึ้นจากจิตก็ผิดขึ้นจากที่นี่เมื่อมีอานาจมีกาลังมากเพียงไรก็ระงับดัก ทีเลตตันหาดับทุกไปโดยลําดับดับก็ดั บ, ด บ, ด บ, ดบในที่นี่ที่นี่นั่นนะที่ว่าวันนี้โรดนี่โรดนะศัจธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้อยู่ภายในจิตของเราหมุนอยู่ตลอดเวลาเหมือนธรรมจักรถ้าเราจะพิจารณาให้เป็นธรรมศัจธรรมนี่ก็เหมือนธรรมจักรถ้าเราจิตเราคิดไปแบบโลกแบบท้งสารซึ่งไม่เคยภาวนาเลยมันก็เป็นโกงจักรผันหัวใจของเราให้รุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาวุ่นไปหมดจนหาทิปบททิปเปื้องไม่ได้นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบาย ยาบททั้งสี่มีแต่ไฟเผาจิตเผาใจไฟที่เดือดตัญหาสะวัสดินั่นแหละไม่ใช่ไฟอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟอันนี้นี่ถ้าจิตของเราเป็นอัดเป็นธรรมพิณิพิณาเพื่อถอดเพื่อถอ น, อถอ น, อถอนด้วยมากคปฏิบัติอยู่แล้วเรื่องสัจธรรมทั้งสี่นี้ก็เป็นธรรมจักรเป็นเครื่องซากฟอกสติปัญญาของเราได้เป็นอย่างดีทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนจะสอดถึงะจะสะเทือนถึงปัญญาน า, นามพิจารณา ทุกเราเคยทราบอยู่แล้วว่าทุกคืออะไรเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นสิ่งที่ทรมานจิตใจของสารโลกอย่างมากมายแล้วทุกนี้เกิดขึ้นมาจากอะไรเนี่ยมันทำย้อนเองื่องสติปัญญานีการค้นคว้าอย่างนี้การคิดอย่างนี้เป็นเรื่องของมากเนี่ยพิจารณาเหตุพิจารณาผลหงโดยลำดับอาจะพออย่างยิ่งเราเอาขันห้าเป็นสนามรบ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 เรยุ่นภายในกันห้าสาวกท่านก็ได้แชา์ชนะภายในกันห้าไม่ได้ชนะจากที่อื่นใดเพราะแพ้ก็แพ้เพราะอันนี้เองหลงก็หลงเพราะด้วยสิ่งนี้ไม่ได้หลงจากสิ่งอื่นหลงเพราะสิ่งนี้จริงๆเนี่ยการพิจารณาจริงต้องมาพิจารณาจุดที่หลงเพื่อให้เกิดความรู้ขึ้นมาในจุดที่เคยหลงเมื่อรู้ได้สิ่งใดเข้าไปโดยลหนับแล้วย่อมแยกตัออกได้โดยลําดับลําดับเพราะฉะนั้นขันทั้งห้านี้ จึงเป็นหินรับปัญญาได้ทั้งนั้นถ้าผู้พิจารณาเพื่ออัดเพื่อทำไม่เพื่อเห็นแก่ตัวคําว่าเพื่อเห็นแก่ตัวมันเป็นเรื่องของกิเลสกลัวตายบ้างกลัวอะไรบ้างกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเห็นทุกเกิดขึ้นมากก็กลัวจะสู้ไม่ไหวเนี่ยความกลัวจะสู้ไม่ไหวนี่ก็คือเรื่องของกิเลสอย่าไปกลัวสร้างขึ้นมาทําไมความกลัวความกลัวนั้นเป็นตัวภยัยสร้างขึ้นมาเล็กมาน้อยก็เสียแทงจิตใจให้เกิดความทุกข์มากน้อยตามที่เราสร้างขึ้นมา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 เรายิ่งจะกลัวตายมากอกลัวเจ็บกลัวปวดคงนั้นคงนี้มากนั่นแหละคือการสร้างเชี่ยนหนามขึ้นมาเสียดแทงจงติตใจของตนเองให้เกิดความท้อแทเอ่้ดีไม่ดีเผลอตัวไปได้เนี่ยเพราะผิดจากหลักสักจธรรมผิดจากหลักความจริงปัญญามีอยู่สติมีอยู่นํามาใชา้สติปัญญาเท่านั้นที่จะทําให้รู้แจ้งเห็นจริงกับสิ่งที่เป็นข้าศึกนี้จนกลายเป็นมิตรเป็นสหายกันได้คือต่างอันต่างจริงนะจิตไม่เคยตาย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 เราอย่าลืมตัวว่าจิตเป็นผู้รู้นี่เป็นนักรู้แท้ๆมไม่ใช่นักหลบหลบความรู้จนกลายเป็นไม่รู้ขึ้นมานั่นเป็นเรื่องอภิชาเราอย่านํามาใช้ให้รู้เกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันที่เกิดพิ่จะนาทุกขเวทนาแล้วก็ทราบทุกก็ทราบว่าทุกผู้ทราบว่าทุกนั่นคือจิต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 อาปัญญาช่วยเขาไปค้นดูให้เห็นชัดเจนว่ามันเกิดขึ้นที่จุดไหนทุกอันนี้เกิดขึ้นทางกายอันหนึ่งทางกายเกิดขึ้นในอาการใดเกิดขึ้นทางจิตเกิดขึ้นทางจิตเพราะเหตุใดจึงเกิดขึ้นได้ทางจิตถ้าไม่ใช่สมุทัยเป็นเครื่องเสริมขึ้นมาหรือเป็นเครื่องผิดขึ้นมาสมุทัยก็คือความุูปหลงตนเองความอยากของตอนเองนั่นเองมันสร้างขึ้นมาอยากให้ทุกข์ดับ <S <S 1> <S 1> ความอยากให้ทุกข์ดับนี่แหละคือสมุทยัยโดยไม่พิจารณาถึงเรื่องทุกข์มิแต่อยากให้ดับนั่นแหละคือการสร้างสมุทัยโดยตรง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 ทำไมร่างกายเพียงเร า, เราท่านๆนี้จะสลายไปไม่ได้ฝืนธรรมดามันไปได้ไปทำไมเกิดประโยชน์อะไรนะการไม่ฝืนธรรมดาให้รู้ตามความยิงธรรมดานี่แหละคือทางทมทางโลง่งทางปลดปล่อยไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยปัญญารอบตัวหากจะตายในขณะที่เวทนากำลังกล้าก็รู้ก็อยู่กับเวทนาเป็นการรับจิต ด, ด้วยปัญญาโดยถือเวทนาเป็นหินรับได้อย่าง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 เป็นเรื่องสัมสมยิ่ขึ้นมาให้เกิดความทุกข์มากขึ้นเพราะความกลัวเพรามากเท่าไรเกิดความทุกข์มากเท่านั้นพิจารณาเห็นประจักษ์ภายในจิตอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ดุเวทนาเกิดขึ้นโดยไม่ต้องหวังพึ่งใครทั้งหมดในเวลานั้นเราอย่าหวังพึ่งใครพึ่งไม่ได้ทั้งนั้นไม่ใช่ที่พึ่งนอกจากสติปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราตรีรามบ้านช่องใครต่อใครก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างพึ่งไม่ได้ขันห้าก็พึ่งไม่ได้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 ออกคือโดยลำดับลาดับให้เราเข้าใจอย่างนี้เราก็โล่งล้วก็สบายนี่ละเดียวว่าพึ่งตนเองให้เราคิดถึงวาระสุดท้ายวาระสำคัญที่สุดคืออะไรคือเวทคือเวทนาอันสาหัสนั่นแหละจะสาหัสขนาดไหนเวทนานี้ไม่เลยตายมีถึงแค่ตายเท่านั้นสติปัญญาเป็นผู้สามารถตลอดสาย เมตนาจะมาจากทิศใดแดนใดมันก็อยู่ในขันนี้เท่านั้นเวทนาขันเนี่ยมันก็ชื่อขันนี้เท่านั้นมันไม่ได้นอกเหนือมาหนุนลอยมาบนเมฆหรือจะมาทับเราได้ที่ไหนมันทับอยู่ภายในตัวของเรานี้ถ้าเราไม่มีสติปัญญาทันะถ้ามีสติปัญญาทันไม่ทับมีมากมีน้อยเท่าไรก็จะทราบมันอย่างชัดเจนทีเดียวด้วยปัญญานี้เท่านั้นนี่แหละปัญญานี่แหละเป็นเครื่องช่วยตัวเอง ควาภาคเลี่ยนต้องเราอย่าถอยถอยไปไม่ได้วางนั้นเลยกว่าเราจะสู้เราจะถอยไปไหนเราจะเอาชชนะด้วยความสู้เราไม่ได้เอาชชนะด้วยความถอยเอาชนะด้วยความสู้าชาชาชาช ส, สู้ด้วยสติสู้ด้วยปัญญาไม่จะสู้ด้วยความโงห่ห่างคิดเราเป็นที่ยอมรับหรือเป็นรับเปนเครื่องรับรองอยู่แล้วว่าไม่ตายเราจะกลัวตายหาอะไรฮเงามันก็ไม่มีแล้วไปกลัวมันอะไร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 จระทั่งวาระสุดท้ายเครื่องมือนี้แตกไปปัญญาก็สลายไปด้วยกันจิตที่ได้รับการซักว่างมาจากปัญญาแล้วจะไม่สลายจะมีแต่ความโปรองใสเป็นอย่างน้อยมีความปร่งใสประจําตัวมากกว่านั้นผ่านพ้นไปเลยเอากันวาระสุดท้ายเอาเ ช, อชนะอย่างสุดยอดในวาระสุดท้ายได้เราไม่ต้องไปคาดโน่นคาดนี่ว่าเป็นหญิงเป็นชาย ว่าเราปฏิบัติมาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนไม่มากไม่น้อยไม่ใช่เวล่ำเวลาที่จะมาแก้กิเลสตัณหาความเพียรเท่านั้นเป็นเครื่องแก้สติปัญญาเท่านั้นเป็นเครื่องแก้เมื่อสติปัญญาพอเมื่อไหรแล้วเป็นแก้ได้เท่านั้นพ้นไปได้เท่านั้นนี่เป็นจุดสําคัญไม่ใช่เวล่ำเวลาไม่ใช่เพศหญิงเพศชายไม่ใช่อะไรทั้งหมดนี่ที่จะมาแก้กิเลสได้นอกจากสติปัญญาศรัทธาความเพียรเหล่านี้เท่านั้นเป็นเครื่องแก้กิเลส เราแก้ได้ที่จุดนี้กิเลสหมดขนาดใดเป็นผู้สิ้นในขนาะนั้นเวลานั้นเนี่ยแล้วการสิ้นก็สิ้นได้ด้วยความเพียรด้วยสติปัญญาไม่ได้สิ้นด้วยด้วยนานด้วยช้าอะไรพิจารณาตรงนี้นี่แดงอย่ า, จากจะชนะอยู่ที่จุดนี้เราแพ้เราก็จะแพ้ที่นี่คาว่าแพ้อยให้มีอีดนี่แพ้อะไร รู้อยูตลอดเวลาสติปัญญาไม่ใช่เป็นของแพ้เป็นของเพื่อชนะทั้งนั้นเราเอากิเลสเข้ามาแทบให้เป็นความแพ้ความแพ้คือกิเลสของกิเกลสอยาวเข้ามาแอบกับตัวมันจ ะ, ะทําให้เราถอยหลังอืเป็นตับลาก็สู้กันจนถึงขีดชื่อว่า น, นักโรคขึ้นเวทีแล้วไม่ถอยเอาเอาจริงๆจนไม่มีสติเขาให้หามลงเปไป ท่านมีสติมันเอาฝ้ามันลงไปตีไม่ได้ดามไปเลยกูสู้นี่กูสู้ด้ยวยปากก็ได้ดกูตีไม่ได้กูสู้ด้ยวยปากเอาไมาเ้เชดแมงไปนักสู้มันต้องเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าไงึเดี๋ยวไม่ถอยนี่เ mm hmm. มื่อต่อยเขามาได้ก็เอาปากต่อยเลยว่านั่นนี่เราเทียบเป็นเรื่องนักรบคือไม่ถอยอสู้นี่มันนั่งค้ำสู้จนตายสู้เพื่อเราฮะ mm hmm. ไม่สู้เพื่อขใครจิตมันได้เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ทีนี้จนเข้ามาอีกในข้อความที่เทือดตรงนั้นมันธรรมดาเนี่ยฟังเลยเมื่อมันเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันธรรมดาทั้งหมดเป็นอยู่ก็ธรรมดามันเจ็บไข้ได้ป่วยที่ไหนก็ธรรมดาคือจิตอันนั้นมันไม่เด็้ไปเป็นภาระภารังให้เกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายกลายเป็นโรคขึ้นพันธุ์ใจอีกเลย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 ธรรมดาธรรมดาไปหมดเมื่อถึงขั้นธรรมดาธรรมชาติแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติการปฏิบัติอย่างนี้เอาละการแสดงคก็ได้มาซุ้มขวด